Music ธรรมะอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเถระพระธรรมเสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่สามสิบเรื่องหัดนึกแห่งกัมปินละครอนดวงจันทร์วันเพ็ญเสวยเลิกกติกาล่วงแล้ว อันเป็นนิมิตหมายแห่งเหตันตะฤดูน้าซึ่งนองเจิงในที่ราบลุ่มเริ่มแห้งลมหนาวจากทิศเหนือเริ่มพัดแรงขึ้นเป็นการเร่งให้ดินหมาดและแห้งแตกระแหงในที่สุดแต่หิมะยังไม่ตกเพราะยังเป็นเริ่มต้นแห่งฤดูเหตุผลมีข่าวสงครามมาถึงอยุธยาว่ากองทัพแคว้นโกศล มีพระเจ้าวิถุตภะเป็นผู้ควบคุมนลยกข้ามแดนไปสู่แคว้นสักกะเข้าทำการล้อมกรุงกบิลพัทและในที่สุดก็ยึดราชธานีนั้นได้จับเจ้าสากยาฆ่าเสียมากต่อมากพึ่นล้างแค้นที่เคยดูหมิ่นไว้ในอดีตการและในการยกทัพกลับสู่กรุงสาวัตถีเพื่อฉลองชัยนั้นกลับมีเหตุอันเป็นไปอย่างที่ไม่มีใครคาดหมายเกิดขึ้นคือ ขณะที่กองทัพใหญ่ตั้งพำนับพลอยู่ณริมฝั่งน้ำอจิรวดีและบางส่วนก็ได้พักหน้าเนินทรายริมลำน้ำนั้นก็ได้มีน้ำหลากมาอย่างกระทันหันพัดเอาผู้คนช้างมา้าลอยไปตามกระแสน้ำซึ่งถึงกจชีวิตแทบทั้งหมดยังมีเหลือก็เฉพาะส่วนพักอยู่ที่ดอนพระเจ้าวิถุทพะผู้ได้รับชัยชนะมายังไม่ทันได้ฉลองชัย ก็พลอยถูกกระแสน้ำพัดไปถึงแจ่พระชนม์ชีพด้วยเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญทั้งของราชวงศ์สากยะและราชวงศ์โกศลแต่ก็เป็นความสูญเสียซึ่งไม่มีใครอื่นก่อให้นอกจากตนเองของแต่ละฝ่าย สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เคยเสด็จไปปรากฏพระองค์เมื่อกองทัพแควนโกศลจะยกเข้าสู่แขวนสักกะเป็นการห้ามสงครามโดยพระอาการดุษเนีพระเจ้าวิถุจพระยอมยกทัพกลับด้วยคาระวะในพระบรมศาสดาแต่แล้วก็ยกทัพไปอีกก็พบพระบรมศาสดาอีกโดยในย น, นี้เป็นหลายครั้งจนในที่สุดพระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาเห็นความที่สัตว์ มีกรรมเป็นของตนเมื่อแรงผลักดันของกรรมจะให้ต้องวิบัติแล้วก็ยากที่จะเหนี่ยวรังไว้ได้ยังไม่ได้เสด็จไปปรากฏพระองค์ในระหว่างทางที่กองทัพจะผ่านนั่นอีกเมื่อไม่มีใครขัดขวางพระเจ้าวิถุธพะก็สั่งกองทัพรุดไปโดยด่วนซึ่งก็ได้ก่อความพินาศให้แก่ราชวงศ์สากยะและในที่สุดผู้ชนะเองก็ต้องสิ้นชีวิตไป เพราะภัยคือน้ำหลากด้วยประการรัชนีในเวลาใกล้เคียงกับที่ได้ข่าวความพินาศแห่งราชวงศ์สากยะและพระเจ้าวิถุทภะแห่งแคว้นโกศลภาคเหนืออโยธยาก็ได้ข่าวร้ายจากผู้สืบความของตนว่า กองทัพแขวนปัญจาละซึ่งจากกระบวนประหลาดมีเฉพาะทัพช้างกำลังจะเคลื่อนออกจากกรุงกัมปินละเพื่อจะครองอยุธยาประมาณว่าไม่เกินเดือนหนึ่งทัพหน้าของกัมปินละก็จะถึงแนวป้องกันด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอยุธยาข่าวนี้ได้ยังความหวาดกลัวให้เกิดแก่บุคคลผู้มีชาติแห่งความกลาดแต่ก็กลับเป็นข่าวที่น่าชื่นชมสำหรับผู้ใกล้จะรบได้มีการเตรียมตัวไว้ เพื่อรับเหตุการณ์นั้นโดยทั่วไปพระเจ้าสุรเสนะทรงปรึกษากับทนิยะแล้วก็ทรงสั่งการเป็นความลับเพื่อรับศึกกับกัมปิละทันทีพร้อมทั้งได้เป่าประกาศให้มหาชนตั้งอยู่ในความสงบและให้เป็นผู้ตั้งบ้านเรือนในเขตที่กองทัพข้าศึกจะผ่านรีบอพยพมาณที่ซึ่งจัดไว้ณฝั่งน้ำสะระอยู่การสั่งการรับศึกที่ทาเป็นความลับ ก็เพื่อป้องกันไม่ข่าวรั่วไหลไปถึงข้าศึกว่าอโยธยาจะต่อสู้โดยวิธีไรเมื่อดูเหมันย่างเข้ามาแล้วได้ประมาณเดือนหนึ่งทัพหน้าของกัมปิลละก็ใกล้เขตป้องกันรอบนอกเข้ามาและได้ยับยั้งรอทัพหลวงอยู่ในที่ซึ่งจะยกทัพเข้าตีแนวต้านทาน แห่งแรกของอยุธยาได้โดยง่ายเป็นการแปลกอยู่บ้างที่อยุธยาเกือบจะไม่เตรียมการอย่างเลยเลยนอกจากส่งทหารไปประจําในแนวต้านทานส่วนการเตรียมอย่างอื่นไม่มีผู้ใดทราบอย่างชัดแจ้งเพียงแต่มีการโจทย์ขานกันโดยทั่วไปว่าพระเจ้าสุรเสนาจะทรงขับไล่ข้าศึกไปได้โดยง่ายที่สุดขอให้มหาชนพากันไว้วางใจในความรอบคอบ และพระปรีชาสามารถของพระองค์กองทัพกัมปินละซึ่งล้วนด้วยทัพช้างมีพลเดินเท้าเพียงบางส่วนได้ยกมาพร้อมกันแล้วและรายล้อมไว้ทุกด้านเป็นรูปครึ่งวงกลมเพราะในด้านที่ติดกับลําน้ําสระยูคงว่างอยู่แต่การที่แม่น้ํากั้นอยู่ด้านหนึ่งนั้นตามความเห็นของนักรบฝ่ายกัมปินละก็เท่ากับถูกล้อมอยู่เหมือนกันเพราะแม้จะไม่ส่งกองทัพเข้าล้อมด้านไหนนั้นผู้อยู่ในเมือง ก็ไม่ได้รับความสะดวกในการถอยถ้าส่ว น, นอื่นถูกล้อมไว้หมดครั้นแล้วทูตจากกองทัพกัมปินละก็นำสารไปสู่พระเจ้าสุรเสนะขอให้ยอมมอบอยยธยาให้แต่โดยดีมิเช่นนั้นทัพช้างที่ล้อมอยู่แล้วทุกด้านจะบุกเข้าทำลายอยยธยาให้พินาศไปพร้อมกันทุกทางทางอยยธยาได้ตอบไปว่าขอเจรจาด้วยกรรษัตริย์กัมปินละในวันพรุ่งและที่ว่างนอกเขตป้องกันของอยุธยา ห่างจากทัพหน้าของกัมปิละไม่ไกลนักซึ่งกษัตริย์กัมพิละก็ได้ตกลงให้มีการเจรจากันณสถานที่ดังกล่าววันรุ่งขึ้นเวลาเช้าทัพช้างของอยุธยาก็เคลื่อนออกจากเขตเพื่อคอยพบกองทัพของพระราชาแห่งกัมปิลละต่อไปเมื่อกองทัพทั้งสองได้มาประจันหน้ากันแล้ว พระราชาแห่งกัมปินละซึ่งเป็นผู้สูงวัยกว่าพระเจ้าสุรเสนะก็กล่าวขึ้นว่าดูก่อนกษัตริย์แห่งอโยธยาตัวท่านยังมีอายุน้อยไม่ควรจะคิดต่อสู้รบกับเราผู้เคยการศึกสงครามมามากต่อมาถ้าท่านยอมให้กองทัพกรัรมปินละเข้าอโยธยาแต่โดยดีพระพเจ้าจะถือว่าเป็นความชอบอันสูงอาจจะมอบราชสมบัติให้ท่านครอบครองต่อไปเพียงแต่ ให้อยุธยาเป็นเมืองอยู่ในปกครองของกัมพิลละโดยในย น, นี้การสงครามก็จะไม่เกิดขึ้นชีวิตเลือดเนื้อของชาวอุธยาก็จะไม่สิ้นเปลืองไปเปล่าโดยไม่มีประโยชน์เพราะไม่ว่าท่านจะสู้หรือไม่สู้กองทัพของเราซึ่งล้อมอยู่แล้วเวลานี้ก็จะเข้ายึดอุธยาได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือการยอมจำนน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรักษาชีวิตของท่านเองและของมหาชนชาวอโยธยาพระเจ้าสุรเสนตรสตอบว่าราชาแห่งกัมพิละผู้เจริญขราพรเจ้าได้สดับถ่อยคำอันมากด้วยกรุณาของท่านก็รู้สึกขอบคุณอยู่ที่ไม่ประสงค์จะให้เสียชีวิตและเลือดเนื้อแต่ขราพรเจ้าใครขอถามท่านว่าถ้าคราเจ้า ยอมให้ท่านมีอำนาจในอายุธยานี้แล้วจะมีอะไรเป็นประโยชน์จะท่านเองและแกส่วนรวมบ้างดูก่อนกษัตริย์แห่งอยุธยาคำพูดของครัพเจ้าก็ชัดอยู่แล้วตั้งแต่ต้นคือถ้าท่านยอมแพ้แต่โดยดีครัพเจ้าก็จะไม่ต้องเหนื่อยยากทั้งยังช่วยไม่ให้ต้องเสียชีวิตเลือดเนื้อของคนส่วนรวมด้วย ราชาแห่งกัมปิละผู้เจริญที่ขระพระเจ้าถามท่านก็เพื่อจะได้ทราบว่าท่านขอขระพระเจ้ายอมแพ้แต่โดยดีนั้นด้วยประสงค์อย่างไรและจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างครั้นท่านตอบมาแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นเรื่องของการเห็นเจตตัวอย่างน่าสังเวช ท, ท่านขอขระพระเจ้ายอมแพ้เพียงเพื่อท่านจะไม่เน็ดเหน่ยในการรบส่วนการที่อ้างว่าจะได้ไม่เสียชีวิตเลือดเนื้อของคนส่วนรวมนั้น วิธีที่ดีที่สุดก็คือท่านไม่ควรยกทัพมาปัญหาเรื่องเสียชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้นทั้งไม่ต้องเหนื่อยยากด้วยแต่เมื่อท่านยกทัพมาแล้วท่านก็ควรถอยกลับไปเสียถือเพียงว่าเป็นการท่องเที่ยวชมภูมิประเทศจะไม่ดีกว่าหรือดูก่อนกษัตริย์แห่งอยุธยาท่านนิจเจอรจาองอาจนักไม่ได้มีความเกียมตัวในกําลังอันน้อยของตนครัพระเจ้าเตือนแต่โดยดีกลับไม่ฟัง ยังกิรจยาสู่รู้อวดฉลาดต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไม่ยอมในทางสันติพ ร, ระพเจ้าก็จะสั่งทัพช้างให้เข้าเหยียบอโยธยาและผู้ที่จะต้องรับผิดชอบในความพินาศครั้งนี้ก็คือตัวท่านเองอย่างไม่มีทางเลี่ยงราชาแห่งกัมพิลาผู้เจริญท่านนึกหรือว่าอโยธยานี้จะยอมให้กองทัพของท่านเข้าเหยียบได้โดยง่าย ในเมื่อต่างก็มีมือมีเท้าและมีสติปัญญาความชิดซึ่งอาจนํามาใช้ได้เท่าเทียมกันครับพเจ้าขอเตือนท่านเป็นข้อความสําคัญว่าขอให้ยกทัพกลับไปเสยตจโดยดีมิฉะนั้นจะเสียใจในความดื้อดึงของท่านเองครับพเจ้าพูดนี้ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามถ้าไม่เชื่อก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ดูกนกษแห่งอยุธยา ถ้าข้าพเจ้าเป็นเด็กอมมือเช่นเดียวกับท่านก็พอจะเชื่อในคำหลอกลวงของผู้ไม่มีทางสู้แต่ข้าพเจ้านี้ครองกรุมกับปิลล่ามานานเคยออกสงครามมานับครั้งม่ถ้วนซึ่งจะยอมให้เด็กๆมาหลอกนั้นไม่มีทางจะเป็นไปได้ราชาแห่งกัมปิล่าผู้เจริญเมื่อท่านเห็นว่าเป็นการหลอกลวงท่านก็ขอเชิญในท่านสั่งพลช้างของท่านเคลื่อนที่ได้ทุกด้านในบัดนี้เถิด พระเจ้าสุรเสนะสั่งถอยทัพช้างของอยุธยาเข้าสุเขตป้องกันทันทีขณะนั้นกษัตริย์แห่งกัมพิลละก็สั่งให้พนช้างของพระองค์เคลื่อนกำลังพร้อมกันทุกด้านพอขอบวนช้างเคลื่อนเข้าไปใกล้แนวป้องกันพระเจ้าสุรเสนะก็ให้จุดชนวนกระบอกพ่นไฟซึ่งเตรียมไว้ตามธรรมดาช้างเป็นสัตว์กลัวไฟเมื่อทางอายุธยาทราบว่าทัพช้างหรือหัตถานึกของกัมพิลละ เตรียมจะมารุกรลานพระเจ้าสุรสีนะก็ได้เตรียมการรับศึกช้างโดยตัดไม้ไผ่มาเป็นอันมากแล้วเลือกไม้ไผ่เฉพาะที่มีปล้องยาวนํามาตัดเป็นท่อนๆใช้วัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงแบบดอกไม้ไฟแต่ผสมผงโลหะมากเป็นพิเศษมาตําอัดลงไปในกระบอกไม้ไผ่นั้นเมื่อจุดเข้าก็จะพ่นเป็นไฟพระเนียงมีความร้อนและความแรงเพราะที่จะยังความตื่นตระหนก ให้กองทัพช้างได้เป็นอย่างดีเป็นประเพณีของชาวอโยธยาที่เมื่อวันพระจันทร์ดับแห่งเดือนอัสยุท์ซึ่งถือว่าเป็นสมัยสวยราษแห่งพระรามก็ได้มีการฉลองที่เรียกว่าทีปาวลีอันแปลว่าแถวประทีพมหาชนจะนำภาชนะดินเผาเปิดปากแบบถ้วยใส่น้ำมันมะพร้าว มีได้ดิบเป็นไส้วางเรียงรายในที่ต่างต่างและจุดประทีบนั้นมองดูสวยงามเป็นแถวเป็นแนวกลมบ้างเลี่ยมบ้างตามแต่จะวางภาชนะดินเผานั้นให้เป็นรูปอะไรแล้วพาการเล่นนักสัตว์จุดไฟจุดดอกไม้ไฟเป็นที่ร่าเริงบันเทิงจิตตลอดเวลาการละปักตามแต่ใครจะพอใจดอกไม้ไฟที่จุดเล่นในงานประทีปทีปาวลีนี้เป็นตัวอย่าง ให้พระเจ้าสุรเสนะทรงนำมาดัดแปลงเป็นกระบอกพ่นไฟเพื่อต่อสู้กับกองทัพช้างของกษัตริย์กัมปิละครั้งนี้แนวกระบอกไฟนี้ได้ทำไว้ห้าชั้นแต่และชั้นมีแนวสารองประจำอีกหนึ่งชั้นโดวยวิธีปากส่วนล่างของกระบอกลงในดินขันกับหลักให้ปากกระบอกตั้งเอียงไปทางข้าศิมีชนวนล่ามสองสายเพื่อกันชนวนด้านคือ เมื่อสายหนึ่งด้านอีกสายหนึ่งจะได้ทำหน้าที่ต่อไปด้วยดีโดยในยะนี้แนวป้องกันแต่และชั้นจึงเท่ากับเป็นสองชั้นซึ่งอาจจุดชนวนพร้อมกันให้พ่นไฟใส่ค่าศึกไปได้ไกลผงโลหะที่ผสมนั้นจะเท่ากับเป็นลูกไฟขนาดเล็กที่พุ่งใส่อย่างน่ากลัวการเตรียมงานต่อสู้ได้พยายามปกปิดเป็นความลับเพื่อม่ให้คนสอดแนมของข่าศึกรู้ล่วงหน้าได้ ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าสุรเสนะส่งสั่งให้หยุบชนวนกระบอกพ่นไฟแนวแรกและแนวสำรองซึ่งอยู่ถัดกันประมาณวาหนึ่งกระบอกไฟซึ่งวางเป็นแนวป้องกันนั้นก็พ่นประกายไฟมีเสียงอันน่ากลัวไปยังทับช้างของกัมปินละซึ่งรุดหน้าเข้ามาโดยเร็วเมื่อช้างเหล่านั้นต้องเปลวเพลิงและและอองเพลิงที่พ่นใส่โดยมิถันรู้ตัวก็ตื่นตระหนกหันกลับวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต เลยเกิดการโกลาหลโอนลามานชนกันเองโดยที่ฝ่ายอยุธยาไม่ต้องทําอะไรเลยทัพของกษัตริย์กัมปินละก็แตกไม่เป็นกระบวนองค์พระเจ้ากัมปินละเองถูกช้างสลัดตกลงไปแต่ยังไม่ถึงคราวจะสิ้นพระชนชีพจึงรอดจากการถูกช้างเหยียบไปได้อย่างบุดวิดความเสียหายครั้งนี้นะับว่าใหญ่หลวงอย่างที่ไม่เคยคิดนึกมาก่อนฝ่ายอยุธยา จับผู้คนอาวุธตลอดจนช้างไว้ได้จำนวนมากที่เหลือก็รีบหนีกลับไปกรุงกัมปิละฝ่ายกษัตริย์กัมปิละเมื่อได้สติและหาม้าได้ตัวหนึ่งก็รีบขึ้นขับหนีไปโดยเร็วเมื่อรวบรวมไพร่พลได้พอสมควรก็รีบยกทัพกลับสู่กรุงกัมปิละด้วยความเสียพระไทยอย่างสุดที่จะพรรณน า, นาความเจ็บความอายความพินาศแห่งกองทัพช้างของกัมปิละ ซึ่งมีชื่อเสียงเลื่องลือในทิศทั้งหลายกลายเป็นเครื่องทำให้กษัตริย์แห่งกัมพิลละมีพราการดังผู้วิกลจริตผุดลุกผุดนั่งบางครั้งก็ตะโกนด่าสาบแช่งพระเจ้าสุรสีนและไม่เว้นแม้ราชบุุษผู้รับใช้ใกล้ชิดจนไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้พราการดังกล่าวนี้ได้เป็นไปอยู่หลายวันจึงค่อยเบาบางลงกัมพิละ แต่ไม่ได้ความเศร้าและเงียบเหงาเพราะชัยชนะที่หวังไว้กลายเป็นความพินาศอย่างหนักแต่กษัตริย์แห่งกัมพิละก็ไม่สิ้นความพยายามสั่งระดมกำลังช้างอีกเป็นการใหญ่เตรียมฝึกซ้อมไว้ให้พร้อมสับตลอดเวลาที่เตรียมการแก้แค้นนี้โดยคิดหาวิธีป้องกันกระบอกพ่นไของอยธยาและเตรียมการเหยียบทําลายบ้านเมืองให้แหลกลานสมความพยาบาทต่อไปกล่าวถึงไพรพล ที่ถูกจับได้ทางอยยธยาไม่ได้ผูกอาคาตหรือทรมานนักโทษให้เดือดร้อนแต่ประการใดคงให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่และอาหารเป็นแต่ให้กักบริเวณไว้ถึงกระนั้นความกรุณาปรานีต่อฉเฉลยศึกที่อยยธยาได้กระทำในครั้งนี้ก็เป็นชัยชนะอีกขั้นหนึ่งที่ทำให้ข้าศึกเขารบบูชาในน้ำพระไัยของกษัตริย์นมผู้ทรงคุณธรรม แห่งอโยธยามหานคร